กุศลจิตเขาช่างเกิดน้อยแท้ไอ้สิ่งอื่นๆนี่มันปลอกทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่สาระคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะชีวิตของพวกเราก็เปรียบเหมือนต้นไม้อะถ้าทํากุศลให้ไม่ดีระดับหนึ่งมันเท่ากับสร้างมเมล็ดที่ดีเอาไปเพาะปลูกต่อไปไม่ได้เน้ในบรรดาคนที่มีมเมล็ดพันธุ์เยอะๆมาคัดมเมล็ดพันธุ์อันไหนหน้าเพาะปลูกในพบต่อต่อไปในชาติต่อต่อไปเนี่ยนะก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าใครปรารถนาจะเจริญกุศลก็เจริญกุศลประเภทนี้ก็ หน้าทำไม่ใช่น้อยเนี่ยนะไปไหว้ตามพระเจดีย์ต่างๆแล้วก็บางแห่งเนี่ยคนก็ไปไหว้ทั้งวันอย่างน้อยเขาก็ไปเอาไปอ่านไปสรนเสริญอระหะเพราะเป็นบทอิติปิโสเป็นต้นก็เลยบอกว่าถ้าทำนะอิติปิโสก็คือคำทำวัดเช้าเย็นเนี่ยนะทั้งบาลีและภาษาไทยเช่นพวกรัตนาสูตรเมตสูตรสูต ร, ต ร, ตรที่สําคัญสําคัญคําอุทิศส่วนกุศลตั้งความปรารถนาพระปริตอะไรเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเราเทียบถึงว่า ของของของศาสนาอื่นเนี่ยนะเขาทําสื่อประเภทแบบเนี่ยเผยแพร่สูงมากถ้าเทียบกับของเราเนี่ยแพร่เผยแพร่แต่องค์กรของตัวเองว่าฉันเนี่ยองค์กรเนี่ยทำสื่อเผยแพร่ อ, องค์กรตัวเองเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่นะเพราะนั้นหนักๆเข้าก็คนก็จะลืมพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเพระั้นวิธีที่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมก็ช่วยกันลืม พระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่รู้ว่าคุณของพระองค์เป็นอย่างไรและพระองค์สอนอะไรและสาวกทั้งหลายเป็นอย่างไรพันพระพุทธศาสนาเป็นวิชาเป็นเรื่องของความรู้ถ้าไม่มีความรู้ พ, รพุทธศาสนาหมดจากใจคนนั้นเรียบร้อยแล้วจริงอยู่เขาอาจจะเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในเมืองที่เรียกว่าเมืองชาวพุทธก็ตามถ้าใจเขาไม่รู้ พ, รพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเนี่ยนะใจของเขาเสื่อมจากพระพุทธศาสนาแล้วทีนี้ องค์ของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะพระสรีระคุณของพระองค์ก็แตกทําลายไปแล้วก็เหลือแต่พระธรรมตอนนี้เนี่ยนะก็ว่าสมัยก่อนที่คนฝักใฝ่ในพระธรรมใจก็คิดถึงพระธรรมโดยคิดถึงพระพุทธคุณเป็นต้นก็ได้แต่ตอนหลังหนักหนักเข้าใจที่คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธคุณก็น้อยลงเมื่อน้อยลงเนี่ยพระพุทธเจ้าทั่วในครั้งว่าพระองค์ไม่มีเสื่อมเรานับถือพระองค์หรือไม่นับถือพระองค์พระองค์ไม่เสื่อมแน่นอน พระพุทธเจ้าไม่มีตกต่ำอีกแล้วเหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นะเราหลับตาและลืมตามีผลอะไรต่อดวงอาทิตย์บ้างไหมไม่มีผลเลยเนี่ยนะถึงเราจะนั่งหลับตาปีทั้งวันดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้สว่างขึ้นหรือลดความสว่างนี่ลดลงไม่มีผลอะไรต่อดวงอาทิตย์เลยเราจะเดินหรือไม่เดินแผ่นดินก็ยังคงเป็นแผ่นดินเราจะอาบหรือไม่อาบน้าก็ยังคงเป็นน้า ต้นไม้ใบหญ้าเราเข้าไปนั่งอาศัยร่มหรือไม่เข้าไปอาศัยมันก็ยังคือต้นไม้ใบหญ้าชั้นใดพูทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่มีคุณที่สูงสุดเม้นทํำยังไงใจของเราจะได้มีคุณเรียกว่ามีคุณธรรมคิดถึงพระองค์แล้วบุญกุศลเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ตามพระองค์ก็ตามเจตนารมณ์ของพระองค์ว่าพระองค์นั้นตั้งความปรารถนาเพื่อให้ตรัสรู้แล้วบอกกล่าวเปิดเผยแนะนําพวกเราทั้งหลายให้ รัสรู้ตามแล้วเราแม้กระทั่งว่ารู้ตามยังไงแม้แต่คุณของพระองค์เรารู้แค่ไหนเนี่ยนะฉะนั้นถ้าคนที่ศึกษาพุทธวงศศึกษาจริยาปิดกเป็นต้นมาจะต้องนึกถึงพระปุพพจริยาคุณในอดีตทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์สร้างอะไรทําบุญอะไรมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าสองพระสรีระคุณสรีระคุณก็ร่างกายตอนนี้ก็เหลือเกี่ยวกับพระาธาตุทั้งหลายอย่างที่สพระ พุทธคุณทั้งหลายอย่างที่สี่ก็คือพระพุทธกิจทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คนบูชาพระศรีระคุณเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะบอกว่าการบูชาพระศรีระคุณไม่ได้ทําให้าศาสนาของพระองค์ยั่งยืนเลยไม่ได้ทําให้าศาสนาของพระองค์เจริญเติบโตต่อไปเลยเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรเพราะช่วยคนเรียกว่าใครบูชาใครทําบุญก็ได้บุญของคนนั้นผู้เดียวมันไม่ได้ขยายผลต่อไป อย่างอื่นมากนะพัะศาสนาจึงไม่เจริญและ ย, ยั่งยืนพันเราต้องมาช่วยกันบูชาพระอะไรพระปุพพาริยาคุณบูชาพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้สื่อที่จะทําให้เข้าใจพระพุทธคุณทั้งหลายเป็นอย่างไรเราก็มาช่วยกันว่าทํายังไงเชื่อไหมถ้าเราให้คนอื่นมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราเองไม่มีศรัทธาเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าถ้าเราช่วยให้คนอื่นมีศรัทธาสิบคนเราเองก็เพิ่มศรัทธาขึ้นไปอีกระดับสูงนะนะครูสุรธรรมเราก็ เจริญมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะวันจากที่ชักชวนให้คนอื่นบูชาพระพุทธเจ้าเราก็บูชามากขึ้นมันตีหนึ่งก็บูชามากขึ้นถ้าเราชักชวนให้คนอื่นเนี่ยนะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นเราเองก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นถ้าเราให้คนอื่นเข้าใจพระพุทธคุณมากเท่าใดเราก็รู้พระพุทธคุณเท่านั้นโลกนี้แปลกว่าให้สิ่งใดไปก็จะได้รับสิ่งนั้นไม่เชื่อลองด่าเขาดูเลยเขาให้คืนนะ อนะเอาแล้วทําดีกับคนอื่นเนี่เขาให้คืนไหมแต่เขามีการทําดีกับคนอื่นแบ่งอยู่สามอย่างสองอย่างทําเอาบุญกับทาเอาคุณะนะถ้าทําเอาคุณเนี่ยต้องบอกคนอื่นไว้ก่อนนะจะทําอะไรกับใครนะถ้าทําเอาคุณบอกนะฉันเลยให้อาหารเธอเพื่อเอาคุณมาลังเลี้ยงฉังคืนนะอย่างเงี้ยอะนี้นนนเขาเรียกว่าทําเอาคุณแต่ถ้าทําเอาบุญทุกครั้งที่ทําลงไปก็ได้บุญมันเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนไม่สําคัญ เพราะฉันจะร้องเรียกเอาจากบุญที่ฉันได้ทําลงไปฉันไดนะก็าตั้งว่าบุญใดที่เราได้ทำไปบุญนั้นเชื่อว่าทำไว้ดีแล้วเพราะนั้นถ้าเราเชื่อว่ามีกรรมกรรมมีผลจริงบุญนี่แหละจะตามปกปักรักษาเราเราไม่ต้องไปสมมติวา่าเราทำกับใครแล้วต้องให้คนนั้นมามาตอบแทนเราถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเราไม่อดตายหรือนะเราไม่แย่หรือเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทาเอาบุญเพื่อเป็นบุญเป็น วาสนาเป็นบารมีเป็นอุปนิสยัยเป็นอัธยาศัยที่ดีๆแกตัวเองต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเราถ้าเราช่วยให้คนอื่นคิดถึงพระพุทธเจ้าได้เท่าไหร่ใจของเราเองก็คิดถึงพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นก็พูดเล่าส่วนตัวนิดหนึ่งว่าอยากให้คนอื่นรู้ปุพพาจริยาคุณรู้พุทธวงศ์รู้พระพุทธคุณทั้งหลายเราเองอยู่กับพระพุทธคุณังมาก ไม่ใช่อยู่เฉพาะแค่พูดเราก็ต้องมาคิดไปคิดมาก่อนแล้วพูดจบเนี่ยคนเนี่ยเวลาพูดอะไรออกมาจะคิดถึงคําตัวเองได้พราะเราเองก็ได้คิดถึงคําที่เราได้พูดเกี่ยวกับพระพุทธคุณมากขึ้นเราก็ได้อยู่กับคุณของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นพันถามว่าศรัทธาที่เรามีอยู่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมเราก็มีศรัทธามีกรรมส ก, กตาเชื่อว่าศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธเจ้าช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ช่วยให้เราตรัสรู้ธรรมเป็นที่ คนทุกข์ได้ท่านทำยังไงที่จะให้ศรัท ธ, ธาอันนี้เป็นภาวนาภาวนาอย่าลืมนะไม่ใช่ตอกย้ำนะแต่เป็นการทําให้เติบโตภาวนาแปลว่าทําให้เติบโต ว, วุธิวุธานะวุทธาปจายโนวุทิงวุทธิตัวนั่นแนหะแปลว่าทําให้เจริญขึ้นทํายังไงศรัท ธ, ธาเป็นต้นจะเจริญขึ้นศรัท ธ, ธานี้เป็นภาเวตประธรรมเทราะนั้นตัวที่รับรองเราว่าปิดอบายทุกขติวินิบาตนะรกได้เพราะอะไรเพราะเรามีศรัท ธ, ธาใน พระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมและมีศรัทธาในพระสงฆ์ทีนี้ชนเราอื่นไม่มีศรัทธาแต่เราเป็นผู้มีศรัทธาพันเวลาไม่สบายเนี่ยนะวันเมื่อวานก่อนก่อนนู้นะไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งที่ไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอายุแปดสิบเสร็จละนะแต่ก็ไปเยี่ยมแล้วออสติสัมปชัญญะยังดีอยู่นะเข้าไปบอกว่านะี่หมอดีใจได้เลยเขาเป็นเป็นนายแพทย์เป็นทันตแพทย์เนี่ยนะ ก็เลยบอกหมอดีใจได้เลยเขาคนอื่นเขาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธาคนอื่นไม่มีศรัทธาในพระธรรมแต่เรามีศรัทธาในพระธรรมนี่น่าดีใจไหมคนไข้สกักกี่คนที่เจริญสัพพินรีมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพระธรรมเป็นอารมณ์มีพระสงฆ์เป็นอารมณ์คือการคิดอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อ ย, ยกตนข่มผู้อื่นแต่เรียกว่าให้เราเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยเป็นทาให้สิ่งที่เรา สบายใจในโลกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลาบมีสองอย่างลาบที่ประเสริฐกับลาบที่ไม่ประเสริฐลาบที่ประเสริฐที่เป็นอนุตริยะเป็นลาภานุตริยะก็คือลาบคือศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าดีนะเป็นบุญแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีศรัทธาในพระรัตนะตรายมีศรัทธาในพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณเชื่อไหมคนที่เรียนธรรมะอะไรลึกซึ้งกว้างขวางขนาดไหนเชื่อถ้าตายแล้ก่อนจะตายอย่างมากคิดถึงพระพุทธพระธรรมแล้ว พระสงฆ์คนที่เรียกว่าเจอความเจ็บปวดมากมายแล้วคิดถึงอย่างอื่นนะยากคนที่กําลังทุกข์อยู่นะใช้ปัญญาได้ไม่มากเพราะฉะนั้นตอนที่เราไม่สบายกายสุขภาพไม่ดีเนี่ยตอนนั้นอ่ะพระพุทธคุณเนี่ยดีที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเราสะสมเอาไว้แต่โดยเฉพาะหลายคนก็อาหังสั ม, มามาตั้งแต่เล็กแน้อยมาอยู่แล้วเนี่ยนะพะะนันสัตธาที่จะมีต่อพระรัตนะตรัยเนี่ยค่อนข้างมีกําลังแล้วก็พยายามตั้งจิต คำว่าตั้งความปรารถนาเรียกว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิทิเมื่อก่อนไม่สังเกตว่าเหมือนแบบพระพุทธเจ้าไม่ให้ขอแต่จริงๆแล้วพระองค์บอกว่าเธอพึงยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าใช้ศั์นี้นะเธอพึงทำความคิดให้เกิดขึ้นว่าเธอพึงทำศึกษาว่าให้คิดอย่างนี้นะให้ให้คิดแบบนี้ให้ตั้งใจแบบนี้ตั้งใจไว้เลย แต่ของเราก็เลยไม่ใช่คําว่าคำปรารถนาหรือคําขอแต่จริงบาลีมาจากคําว่าอัตตะซัมมาปณิทิตั้งตนเอาไว้อย่างถูกต้องก็ตั้งไว้ที่จะเจริญคุณธรรมเจริญโพธิปักขยธรรมแต่พยายามเรียนโพธิปัจจะธรรมให้ครบ37แล้วจะได้เจริญตั้งความปรารถนาให้โพธิปักขยธรรมเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทําบุญแล้วก็ตั้งให้คุณธรรมเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเชื่อไหมอะไรที่เราไม่เคยตั้งไว้เนี่ยมันไม่เกิด ใจของเราเนี่ยมันก็เลือเกินจริงๆนะมันก็เหมือนกับติดตั้งรหัสเหมือนกันนะถ้าไม่ตั้งเอาไว้นะมันไม่ยอมเกิดนะอย่างเช่นเราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะถ้าไม่ถูกคนอื่นชวนเนี่ยยากเช่นแวะไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปหรือจากนี่ไปถึงบ้านนะถ้าไม่ได้ตั้งไม่จะเจริญกุศลนะขนาดตั้งแล้วมันยังไม่ค่อยจะเจริญเลยนะถ้าไม่ตั้งมันจะขนาดไหนใจเนี่ยมันเป็นอยังไงและแต่ทุกเรื่องที่เราคิดเชื่อไหมตั้งความเรานั่นแหละคือเราตั้งความปรารถนาแล้ว คิดดีก็ตามก็คือตั้งความปรารถนาดีคิดไม่ดีคือการตั้งความปรารถนาไม่ดีเพราะทุกทุกความคิดคือการตั้งความปรารถนาเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเรียกว่าทุกทุกความคิดที่เราคิดขึ้น่ะคือการตั้งความปรารถนาตั้งอัธยาศัยตัวเองในอนาคตต่อไปอย่าคิดว่าเอ่อความคิดเหล่านี้จะไร้ผลทุกทุกความคิดที่เราคิด ทุกๆคำที่เราพูดทุกๆเรื่องที่เราได้ยินได้เห็นเนี่ยนะมีผลต่อชีวิตในอนาคตของเราเพราะอ น, อนาคตของเราควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกะทาคามีดีควรจะเป็นอนาคามีหรือเป็นพระอารหรันต์ดีแล้วสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมไล่ไปสู่สิ่งนั้นได้ไหมเนี่ยนะเขาคำนวณได้เนี่ยนะโดยวิชาธรรมะแล้วจริงๆแล้วคานวณได้ถ้าเรียนปัจจัยดีด เรียนทั้งโดยอุปนิสัยปัจจัยเรียนโครงสร้างระบบปัจจัยให้ดีแล้วเรียนพระสูตรพระวินัยให้มากเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆริ ง, รงเน่ยเรื่องระบบความคิดมันติดตั้งกันได้ไนะติดตั้งความคิดได้นะติดตั้งความคิดดีๆให้ตัวเองได้ไหมได้คิดตั้งความคิดเลวเวไดไไ้ไหมได้เนี่ยนะเอางีแม้กระทั่งว่าวิธีติดตั้งความคิดที่ไม่ดีให้ตัวเองนะแกงไม่ชอบหน้าใครสักคนดูสิแล้วเห็นไม่ชอบหนึ่งไม่ชอบบวกสอง ไม่ชอบบวกสามไม่ชอบบวกสี่ไม่ชอบบวกห้าทำอะไรก็ขัดตาไปหมดบวกสิบบวกยี่สบบวกร้อยบวกพันในที่สุดนะได้ได้มิจฉาวาจาออกมาแน่ในที่สุดก็มิจฉากรรมมันตะมิจฉาอีกเยอะแ ย, ยะตามมาเลยนะอันนั้นแหละทุกครั้งที่เราไม่ชอบนั่นแหละคือการติดตั้งเรื่องนั้นไว้แล้วติดตั้งโทสะกับอารมณ์เหล่านั้นให้ตัวเองต่อต่อไปดังั้นเราก็พยายามมาปลูกฝังว่าเรากําลังสร้าง นี่สายอะไรให้กับตัวเองในอนาคตเราต้องการจริงหรือไม่เราปรารถนาจริงไหมเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์และความสุขจริงหรือเปล่าที่กล่าวมาทั้งหมดในครั้งนี้เนี่ยนะก็มีความปรารถนาว่าทํำยังไงเราจะปลูกฝังเจริญให้เข้าใจกฎเกณฑ์รายละเอียดหลายอย่างว่าทําอย่างไรตั้งอย่างไรศรัทธาของเราจึงจะมีใน พระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นนะ่ะนะติดตั้งอย่างไรโพธิปัคิยธรรมจะได้เจริญบริบูรณ์เพราะใจของเราจะยอมรับในสิ่งที่เราอยากให้เขามีเท่านั้นเนี่ยนะใจของเราจะตั้งใจให้เรายอมรับอา้าวบางทีก็บอกว่าอา้าโลภะโทสะโมหะเขาไม่เคยตั้งให้มันเกิดเลยโกรธเกิดเมื่อไหร่ก็ตั้งอ่ น, นั้นแหละชอบเมื่อไหร่ก็ตั้งไว้ตอนนั้นทุกครั้งที่เราชอบทุกครั้งที่เราอะไรนะนะั่นแหะคือการติดตั้งสิ่งเหล่านั้น โดยอัธยาศัยเรียบร้อยไปแล้วทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากอัธยาศัยที่ไม่ดีให้เป็นอัธยาศัยที่ดีก็พยายามตั้งไวบ้บ่อยๆตั้งไวบ้บ่อยๆปณิที่ตัวนั้นเนี่ยนะถ้าปณิที่ตัวนั้นตั้งเป็นชื่อของสมาธิตั้งจนกว่าจะมั่นตั้งมั่นนั่นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิตั้งไว้แนวไหนตั้งไว้ในเป็นแนวที่กุศลจิตเกิดบ่อยและสืบเนื่องมากๆถ้าเราเข้าใจสาระของการเจริญ สมาธิที่ดีถูกต้องเพื่อเจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะเราจะไม่ค่อยหนักใจว่าเอ๊ะช่วงนี้ไม่ได้หลีกเล้นช่วงนี้แม้ไม่ได้นั่งเลยไม่ได้อะไรเป็นต้นเลยเพราะเราเข้าใจว่าสาระของเรื่องทั้งหมดนั้นคืออะไรการทําสมาธิไม่ใช่เจตนทําอิริยาบถนั่งแต่เป็นการเพิ่มตัวคุณภาพสมาธิโดยไม่เกี่ยงอิริยาบถเนี่ยนะไม่เกี่ยงอิริยาบถแต่ก็เข้าใจนะว่าอิริยาบถไหนสักปายะและไม่เป็น สปายะเนี่ยนะเช้านี้ก็ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กล่าวนี้ขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิตเพื่อให้เจริญด้วยคุณธรรมยิ่งๆขึ้นไปในที่สุดได้ตรัสรู้พระธรรมตามพระพุทธเจ้าโดยท่วนกันเช้านี้ใช้เวลาเท่านี้ก่อน